นังขัตามิพ an ุทธ an <ami> ังพรรังขัตถามิธรมมัลละนังพุทธามิต่งๆังขัตถงๆังามิโติยามปีพุทธสังัตามิอุทิัมติมมัังัามิิยมสัง ขาุติยมิตั้งขัสารังคธามิุติยมตััสารังคธามิุตยมิพุทังสารังคธามิุติพุทังสารังคธามิุติยมิมังสารังคธามิุติยมิธรรมัสารังคธามิุติยมิตั้งขังสารังคธามิ พยัญจีขั้นขั้นตะวันตกทางโลกะธรรมนังนิพพิตังอามะปาตีปาตังเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอาณาปูชาภาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ เวรมสิกขาปทัสมิยามิตาเมสุมิทาจาราเวรมณีสิกขาปัท <doubles> ัสมาทิยามิมสเรสิกขาปัทันสมิยามิตาวะทานเวรมณีสิกขาปทัสมาทิยามิาวเรี ราตังสมาธียามิสุราเมระยะมัททัปมามัทานาเวรมณีสิกขาปะทถังสมาทียามิสุราเมรยมัททปมามทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธียามิอิปานิปันจะสิกขาปะทานิตีเลนะสุขติยงยันติติเลนะโพกะสมปทา ตีเหล่นาทิปุติยันติสัตม์ตีหลังวิโตธาติาท่านผู้ศษาสนิเกตชนผู้เจริญทั้งหลาย <c oughs> โอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาที่จะได้บรรยายธรรม จะได้ฟังธรรมเรื่องธรรมะอันนี้เป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนายอมรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา เราชอบใจในธรรมะคำสอนของพระองค์ท่านพระคำสอนของพระองค์ท่านสอนให้มนุษย์เรามีคว า, ามรักกันที่ว่าพระองค์สอนให้เรามีคว า, ามรักกันเพราะกาเหตุว่าในเบื้องตน้น การสอนให้เรารักศีลผ้าสมทานศีลผ้สารักษาศีลผ้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทําความดีในพระพุทธศาสนาขณะที่เราตั้งใจในกกล่าวคําปฏิญญาถุนถึงพระองค์ท่านว่าพุทธังสะระณังคัจฉามิ ส่งหมายความว่าพาะเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นปรธววนรณะที่สืงที่และลึกถ้าสมมติว่าพระองค์จะถามเราว่าบอกพันจะเอาจริงหรือถ้าเราตอบว่าเอาจริงปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราได้ไหมปฏิบัติตามข้อบังคับของเราได้ไหม ก่อบังคัดของพระ อ, องค์ท่านคืออะไรก่อบังคัดของเราก็คือศีลห้าที่ได้สมาทานมาแล้วนั้นถ้าใครบอกว่าปฏิบัติไม่ได้พระองค์ก็จะต้องตอบว่าช่วยไม่ได้เหมือนกันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเล่าที่เป็นอย่า น, นั้นก็เพราะว่าจุดเริ่มของการสร้างความดีในพระพุทธศาสนาเนี่ เราจะต้องเริ่มต้นด้วยศีลห้าเาเซบดิวาสัพป า, าปัสะอักรานังการไม่ทำบาปข้ามปวงนี่ก็หมายถึงการไม่ทำบาปตามกฎของศีลห้านั่นเองห้าท่านจะถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาศีลหา้า คำตอบก็คือว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องการให้มนุษย์มีความรักกันในเมื่อมีความรักกันก็กลายเป็นคนที่ทำประกันความปลอดภัยของสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันนั่นเอง ถ้าเราจะมาพิจรารณาอย่างนี้เราจะมองเห็นผลประโยชน์ของการรักษาศีลผ้าพอบาแม่เลี้ยถ้าไม่มีศีลผ้ต่อกันครอบครัวก็แตกอย่างที่เราโลโลเห็ น, เ ห, นเห็นกันตาเพราะไม่มีศีลผ้าสังคมจะวุ่นวายก็เพราะขาดศีลผ้าเพราะฉะนั้นศีลผ้าประการนี้จึงเป็นคุ ณ, ณธรรมประการความปลอดภัยของสังคม การรักษาศีลอยไปมุ่งเอาแต่สวรรค์เอานิพพานเพียงอย่างเดียวต้องมองถึงผลประโยชน์ในปัจจุบันนี้ด้วยเราจึงจะเข้าใจความหมายในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีและประการต่อไปศศรษฐาเป็นการตัดทอนผลพ้อมของบาป ก, กรรมการทำบาปทำก ร, รมที่พวกยาจมพากันกลัวๆอยู่นั่น เทว่าทําแล้วเป็นบาปทันทีมีแต่ละเมิดศีส้นห้าเท่านั้นหากใครรักษาศี้นห้าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีก็ได้จะวัดตัดถอนผลเพิ่มของบาปบาปที่ทํามาแต่เมื่อวานนี่วันนี้ไม่ทําและวันต่อต่อไปบาปของเก่ามันก็ยังอยู่นั่นแหละมันไม่หมดไปไหนจนกว่าเราจะได้ทดใช้ให้หมดเส้นไป แต่ไม่เป็นไรเมื่อเรางดเป้นทำบาปทมอ น, นันโดยเด็ดขาดแล้วเรารักษาศีลห่าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นรอบแล้วก็หลายหลายปีความดีที่เราสะสมเอาไว้ในเิ็ดนั่นมันมีพลังงานเพิ่มขึ้นทุกทีในที่สุดเด็ดของเรามันจะไปอบุณอยู่กับความดีที่เราทา โอกาสที่มันจะคิดถึงบาปเพื่องหลังนั้นมันก็ลืมลืมไปเพราะว่าเิตมันมาบันเทิงอยู่กับความดีในปัจจุบันก็มีแต่มุ่งหน้าทำความดีต่อไปทีนี้ถ้าใรกลัวบาป ก, กลัวกรรมที่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ยึดมั่นในสีผ้าก่อนทีนี้ประการต่อไป ในเมื่อเรารักษาศี็มห้าข้อได้แล้วก็เป็นอุบายบัณฑรกําลังของกิเลสกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นโลกโลกบหลงเรามีกันทุกคนแต่ว่าการที่จะไปละนี่รู้สึกว่ามันจะลําบากเหมือนกันเพราะการละกิเลสมันเป็นของยากมันจึงเป็นพาละจำยอมจำยอมที่ให้กิเลสมันคลมหัวใจอยู่นั่นแหละ ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทําอย่างไรเมาเป็นเช่นนั้นเราพยายามละมันก็ละไม่ได้ทําอย่างไรมันก็ละไม่ได้เพราะธรรมชาติของกิเลสมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปตั้งใจละเอาละเอาเหมือนเราเดินมาในสนามหลวงเนี่ยไปเหยียบที่โคนเข่าแล้วไปล้างน้ําให้มันสะอาดอย่างนั้นมันไม่ได้ เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมคามดีให้มันมากๆากขึ้นกิเลสมันจะพ่ายแพ้ไปเองในทางปฏิบัติก็คือว่าหากใครมีกิเลสโลภโกรดหลงอยู่ในใจก็พยายามดูใจตัวเองให้มันรู้ว่าเรามีและเมื่อเรารู้ว่าเรามีเราลองยอมรับสภาพความจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรดหลง ทีนี้ในเมื่อรู้ว่าเรามีแล้วพยายามคิดหาทางที่จะเอาประโยชน์จากมันให้ได้จะไปเอากิเลสจะเ อ, เอาผลประโยชน์จากกิเลสโลดโกรดหลงได้อย่างไรมันก็ไม่ยากเอาไว้ให้มันคอยกระตุ้นเตือนใจให้เกิดความเ่าเยอทาอยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น อย่าจอมานั่งฟังเพศกันอยู่เองอก็ความอยากคือความโลภนันเองมันจะต้นเตือนให้มาก็าอยากได้คุณธรรมอยากฟังเพศอยากได้ข้อวัดปฏิบัติอยากได้ความรู้ในธรรมะคำสอนเพราะความโลภมันจะต้นให้เรามาในเมื่อความโลภมันกะต้นให้มาฟังธรรมมารับศีลฟังธรรมเนี่ย จะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นมันก็มีแต่ความดีดังนั้นในเมื่อกิเลสมีอยู่ในใจของเราเนี่ยเราก็ยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมโดยไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นอาศัยศส้นท่า ก, ก็เป็นขอบเขตแล้วเราพยายามสแสวงหาผลประโยชน์สแสวงหาคุณธรรมอยู่ในขอบเขต การกระทําใดๆที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งทำลงไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ตํานิและโทษที่จะเพิ่งเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นก็ไม่มีอย่างดใดรมีความโลภมันแสวงหาทรตัพย์สมบัติร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีจะลําบากกี่หน่อยก็แต่การบริหารรักษาโทอนั้นแต่ก็ไม่เป็นโอดเป็นบาปเป็นกรรมอะไรทั้งสิท้์ รารดันเตีนห้าประการนี้จึงเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมสิ่งที่มนุษย์ต้องการในปราศนาในสังคมของโลกนี้มันมีอยู่เพียงห้าอย่างเท่านั้นหนึ่งความมีลาภสองความมียศสามันเสือนสี่ความสุขามนาก ถามใครปฏิเสธไม่ได้สักคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราปราศรนาและต้องการโดยกฎธรรมชาติ <c oughs> แล้วแต่ละบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ในทางกาศาสนาท่านก็ต้นเตือนว่าใครจะแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวก็ควรจะมีขอบเขต ขอเกตมันก็คือสีลห้าอีกนั่นแหละในเมื่อสแสวงหามาได้พระพุทธเจ้ายังสอนสอนให้สร้างความดีจักเพื่อนบ้านเพื่ออย่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเครื่องมือสร้างความให้ดีให้ชาวบ้านเขาเกลียดที่นาเอาคนไโมโยน่ยอที่เกิดขึ้นก็นนลาบยศ ส, สันสนจบแล้อำนาจเสไปสร้างความดีให้ชาวบ้านเขารัก ในเมื่อเราสร้างแต่ความดีสร้างแต่ความดีไปอยู่ไหนอยู่ไหนก็สบายใจจะไปป่าก็สบายใจอยู่ในกรุงก็สบายใจมานั่งฟังเทศก็ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องมีพวกเมือเบิรนมาคอยคุ้มกันและไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักขาเพระอะไรเพราะเรามีศียรห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีนี่ระแวงหาผลประโยชน์ก็ไม่กระทบกระเทือนไค ได้มาแล้วก็สร้างแต่ความดีไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปกันเครื่องมือสร้างความไม่ดีให้เขาเกีิดเพราะฉะนั้นศีลห้าประการนี้จึงเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมประการสุดท้ายท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามอาจะมาว่าศีลห้าข้อนี้แหละเป็นธรรมะที่เป็นโมลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ทำไงข่านคงศาสตรีแล้วว่าหัวใจประชาชนที่ประจัยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้ใดมีศีลห้าเคารพทุกสิทธิแม้แต่มดมแมงรัปล่อยให้เขามีชีวิตยอยู่ตามธรรมชาติของเขาเราไม่่ะไม่เบียดเบียนไม่ข่ม เ, เ ม, มเหงไม่รังแกมันก็เป็นการเคารพสิทธิหนักใจไหมถ้าแิดว่าเราจะมีศีลหา้า แม่บ้านบางท่านก็อาจจะนักใจว่าเราจะต้องค่าตานประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตแต่หลวงพ่อท่านก็มาสอนให้รักษาศีลห้าสมีลูกเ่าจะได้ทานอะไรเนอไม่มีโอกาสที่จะค่าเก็บค่าไก่ประกอบอาหารของอร่อยอร่อยก็ไม่ได้ทานแล้วอย่าไปหนักใจถ้าหากอยากจะมีศีลห้าก็เข้าบ้าง ก็ให้ตั้งปณิธานเอาไว้ในใจให้แนวแน่ ว, ว่าเชื่อว่ามนุษย์ท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คมเองไม่รังแกโดยที่สดไม่อิจฉาตาร้อนใครมีความจำเป็นจะก่าสัตว์ประกอบอาหารเคลินตามสบายแต่ว่ามนุษย์จะไปแต่ต้องใหรัรษาใหายมันเคร่งเค่งในระดับมนุษย์ ทีน้ในเมื่อเราแร่งในระดับอนุตความเมตตาปราณีมันจะเพิ่มขึ้นตามมาเองเบิกความเมตต า, าปราณีมันเพิ่มมากขึ้นโดยที่โสดแม้แต่สัตว์ในร่าฐานก็จะฆ่าไม่ได้ท่านสงสัยไหมบาส ท, ที่เกิดจากศีลห้านั้นเกิดจากการละเมิดศีลห้านั้นใครเป็นผู้แต่งเป็นผู้สร้างตัวบาสขึ้นมาไม่มี มันไปนกดธรรมชาติเราบริจาคของเราอย่างดีก็เพียงแค่รู้รู้ว่าการฆ่าสัตว์มันเป็นบาปขโมยรตามเขามันเป็นบาปขมเหงน้ําใจกาเมลสมิชาจานมันเป็นบาปโกหกหลอกลวงเขาให้เขาเสียทรัพย์สมบัติเกียรติยศเื่อเสียงมันเป็นบาปเดิมด้านดองของเมามันเป็นบาปก็มันไปเพิ่มความเสียสติให้มากขึ้น ถึงโดยปกติคนเรามีการเสียสติเป็นเดิมพันธ์อยู่แล้วคนละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นอย่างตักแต่เมื่อเราไปเพิ่มสิ่งที่จะทำให้ประสาทปันป้นเพลินสติมันก็ยิ่งเลอะเลือนไปใหญ่จากต้นจนปลายไม่ถูกบาปทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นกฎธรรมชาติท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไปเผลอไปว่าจํเนี่ยเป้าคนดเจ้า เราพรธเจ้าสอนอะไรก็มีแต่บาปมีแต่บาปอย่าไปทำนิมันบาปเราพทธเจ้ารู้แล้วว่าทำสิ่งนี้มันเป็นบาปท่านเมตตาสงสารพวกเราท่านก็มาแนะนำคำสอนให้เรางดเว้นทีนี้บาปตามกฎแห่งเี็นห้าเนี่ยใครจะนับถือศาสนาพวกก็ตามไม่นับถือศาสนาพวกก็ตาม หรือใครไม่มีศาสนาก็ตามหรือโดยที่สดแม่สัตว์ในฉานพันต่อกันก็ไม่มีการยกเว้นพระมันเป็นบากตามธรรมชาติจริงๆพระพุทธเจ้าอย่างดีก็เพียงแค่รู้เพราะฉะนั้นสินห้านี้ท่านจึงยกให้เป็นมนุษยธรรม ที่ว่าเป็นมนุษยธรรมก็ว่าเป็นเพราะว่าเป็นคุนนธรรมปรับเพื่อฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์หากใครมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์หันแน่ใจไหมว่าท่านจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกขณะจิตทุกลมหายใจไม่แน่นักอย่ากลัวไหม ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องจะว่าให้ฟังจะก่อนอื่นไี่ต้องขอโทษทัดนทั้งหลายก่อนนลเพราะว่าสำนวนบางแห่งมันอาจจะกระบประเตือนความรู้สึกถ้าจะฟังก็ฟังกันอย่างนี้ในขณะใจ ใ, ใจของเรามาเกิดความโหดเหี้ยมอยากจะทำอะไรโดยละเมิดศีลห้าข้อนะนะั่นแหละ อย่าฆ่าใครฆ่าอย่า ด, าดา่าใส่ด่าอย่ารักตกขโมยของผมเหงรังแกใครทำทำไปตามความตามอาเภอใจตัวเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นและไม่ได้เน้นถึงศีรธรรม้และกฎไมาบปกครองบ้านเมืองขอโทษในขณะนั้นตจของเราเป็นมนุษย์ใส่ใจเราเป็นสัตว์เอร็ดชันอย่าโกรธนะ ที่พวกความจริงจเกิดขึแต่ในขณะใดจิตใจของเราเนี่ยมันมีความละอายบาปสรวงตัวต่อบาปไม่กลา้าทำบาปทั้งในที่รักใ น, ในที่แจกคือไม่ละเมิดศีลห้าข้อ น, นันเองในขณะนั่นตายพวกเราเป็นมรดกใส่ใจพวกเราเป็นเทวดาไม่ต้องไปคอยเป็นเทวดาเมื่อตายไปแล้วเรา หลับใจให้มันเป็นเทวดาซะตั้งแต่ที่ยังเป็นมนุษย์นี้เราจะได้ความแน่ใจว่าตายไปมันจะได้เป็นเทวดาจริงๆหากไปหวังแต่จะเป็นเทวดาในภาตินาบกหน้ามันเสี่ยงเพราะฉั้นต้องพยายามทําใจให้เป็นเทวดาให้มีฤทธิมีโอตต ป, ปะมีความอายบากศะโรคกลัวต่อบาศไม่ละเมิดศีลห้าข้อหรือไม่ละเมิกดกฎหมายปกครองบ้านเมือง กายเป็นมนุษย์ใจเราก็เป็นเทวดาเท่านั้นเองทีนี้ในขณะได้จิตใจของเราเนี่มีความเมตตาปราณีมีความเอื่อเฟื่อเผื่อแผ่เห็น อ, อกเห็นใจเพื่อนสังเพื่อนมนุษย์เห็น อ, อกเขาออกเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเท่าเป็นก็เป็นมนุษย์ แต่ในขณะใดที่ใจของเรานี่มันเหนื่อยหน่ยายทอแททไม่เอาไหนประโยชน์ตนก็ไม่เอาประโยชน์ท่านก็ไม่แล้วเลี้ยวปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าเปล่าสดาประโยชน์ในขณะด้านใจกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นปเบลเบลแปลว่าละทิ้งสิ่งทั้งปวงละประโยชน์ทั้งปวง น, นี่เป็นหลักที่เราจะต้องยึดเป็นหลักพิจารณาตัวเองอยู่เสมอ เรามีสติพิจารณาดูความเป็นของเราอย่างนี้เราก็รู้ความจริงของเราเองเมา่รู้ความจริงของเราเองอะไรมันขาดตกบกพร้องเราจะได้แก้ไขที่ตัวเองกายกับใจนั่นแหละเป็นหลักของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติงดแว้นความบาปตามกฎของศีลธรก็ได้เชื่อว่าละบก ในในพุทธภาเศรวฐีวัศพพาปัสสะกรณดางการไม่ทำบาปทั้งปวงทีนี้ถ้าหากว่าเรามาละบาปทั้งปวงได้โดยเด็ดขาดดังที่กล่าวแล้วโกศลโูปจมปทาก็ได้เ่อว่ายังกุศลให้ถึงเพราะสิดูแล้วมันก็ง่ายๆกันแบบนี้ ท่กลามาทั้งหมดนี้รัวิธีการรักษาศีลและลวิธีการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมต่อไปนี้เรามาคุยกันเรื่องสมาธิกันดูบ้างแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้ประชาชนค็ต่อบริษัทสนใจในการทำสมาธิ และวิธีการทำสมาธิก็มีหลายแบบหลายอย่างนั่นอย่าไปสนใจแต่ละแบบแต่ละอย่างนั่นถูกเอ้ามดไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าเราไปยึดวิธีการมากเกินไปมันอาจจะผิดพลาดต้างก็ได้วิธีการทำสมาธิอื่นๆนั้นอาจจะมาจะไม่ขอนำมากาำ จะขอกระตุ้นเตือนให้ท่านทั้งหลายลองไปฟื้นฟูพุพทธประวัติที่เราเคยอ่านเคยเรียนกันมาแล้วแต่เบื้องตน้นเกี่ยวกับการตรัสสรุ้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่านจดแล้วมีช่หรือว่าตอนที่ท่านชายสิทธัตถะเสดจออกนวดในตอนแรก ได้ไปบําเพ็ญเพียรและศึกษาสมาธิในสำนักอาราระดาบทและอุตตะดาบทเรียนจนจบหลักสูตรแล้วก็ทําได้เก่งกว่าอาจารย์เซลดัมจนกระทั่งอาจารย์ทักชวนให้เป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ในสำนักแต่เจ้าองค์ท่านก็ยังไม่พอใจไม่พอพระทยัยเพราะความปรารถนาไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ภูมิของอาจารย์ทั้งสองนั้นเท่านั้น ความปรารถนาอยู่ที่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลั ง, งยังได้ลาออกจากสำนักของอาจารย์ทั้งสองสเสดใไปบำเพ็ญเพียรอยู่โดยลำพังพระองค์เองตอนนี้ไม่ได้ไปเรียนอยู่ในสำนักของใครทังสิบเพียงแต่ยกพระที่การปฏิบัติของพวกนักปฏิบัติในสมัยนั้นมาทอดลอง ด้วยวิธีการบันเทียนทุกขักระตยาทรมานตนด้วยอะการต่างๆแต่ทำจนจดกำลังแล้วตลอดเวลาหกปี<ๆ>ก็ไม่มีท่าทีว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุติเจา้ากดข่าวก็ทำให้พระวรก า, ายสุขพร้อมลงไปยังเหลือแต่หนังหุ่มกระดูกหลั่นลมหายใจก็มีแต่จะทำให้ใจมันขาดเส้นเีวิตอินซีแตกสลาย ไม่มีทางที่จะให้สำเร็จเป็นกรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่องก็อสอบดูทุกวิธีการแล้วไม่เป็ไม่มีทางเจึงมาหวนี่จะครงเลิกละการบำเพ็ญตุกระกิริยานั้นเสีย<ป>แต่ว่าวามเอินต้องสแสวงหาปัรญาหารมาสเสวยพอบำรุงภาพพ อ, อรากายให้มีกำลังบางเอิญบ น, นนณานัสุกชาไดา้ แด่รอนนำข้าวมะตูดปายัดไปถวายในขณะที่พระองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพพระนางสุรษฐาดามองเห็นข้าวปฏิโอตีใจโดยคิดว่าทุกครั้งที่เรามาสังเวยเทวดานี่เอาของไปวางไว้ก็ไม่เห็นเทวดามาสเวยแล้วก็มองไม่เห็นเทวดาด้วยวันนี้เราั่งโชคดีจริงๆ ก็น้อมข้าวมัตุปาญาติขกามาตายใตปริมนคลของหล้มโพเนี่ยเทวดามาประทับนั่งคอยอยู่แล้วโวยความดีออกดีใจก็นําข้าวมัตุปาญาติก็น้อมเข้าไปถวายโดยสําคัญว่าเป็นเทวดาทีนี้พอท่านทายเศัษฐารับข้าวมัตุปาญาติของนางสุชาดาแล้วก็มาทรงตั้นข้าวมัตุปาญาติเป็นสี่สิบเก้ากอบ แล้วก็สเสวยรวดเดียวหมดหม ด, หมดทั้ง40ก้าวก่อนสีในปลาเสร็จแล้วพระองค์ก็ปลารอบที่จะไปอธิษฐานเสี่ยงบารมีในเจ้ า, าศาสดาเอกในโลกอย่างแท้จริงขอให้ผ่านทองคำจงไหลทวนกระแสน้าขึ้นไปเพื่อมบุดและจังค่อยจมลงไปในแม่น้ำ หากว่าจะไม่สำเร็จก็ให้ไลหลไปตามกระแสน้ำล้วจมลงไปในแม่น้ำออที่ฐานพระไทยแน่วแน่ขาดทองคำไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไปเพื่อบงบกและจังไฝ่จมลงไปในแม่น้ำ